นี่เป็นข้อความเสียงจากพระอาจารย์มหาภัยบุญอภิปุลโนชมให้ลูกศิษย์ที่ช่วยงานในวัดต่างๆให้ทาความเข้าใจในเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่รับภาระละศา ส, สนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเป็นศาสนาที่ใหญ่ศา ส, สนานี้หมายถึงคําสอนนะ คำสอนของพุทธะเนี่ยเป็นคำสอนที่ใหญ่มากคาว่าใหญ่มากเนี่ยหมายความว่าเยอะแยะมากมีเรื่องเยอะมีเรื่องที่สอนมากสอนไว้โดยละเอียดสอนไว้อย่างหมดจดบริบูรณ์ละไล่มาตั้งแต่จับหัวตรงนู่นคือ น, นิพพา น, นาลงมาโหแยกแยะเป็นหลายอย่างมรรค8โพชงเจอินรีห้าพละหสมประทานสี่ เศรษฐฐานสหมวดธรรมต่างๆเนี่ยไล่ไปจนถึงว่าจะนํามาหากินยังไงจะเลี้ยงลูกยังไง ร, าารักษาครอบครัวยังไงแต่มันกว้างขวางเยอะแยะแบบนี้เพราะนั้นด้วยความกว้างขวางของคําสอนที่เป็นศาสนาใหญ่เนี่ยมันจึงแผ่ไปกว้างพอแผ่ไปกว้างเนี่ยก็คนทุกประเภทคนทุกประเภทที่จะมารับคําสอนนี้เพราะคำสอนนี้กว้างใหญ่มากนะอเอาแค่เรื่องทําความดีเนี่ย คนขอทานก็ทําได้ชาวนานก็ทําได้เรื่องการปกครองบริหารบ้านเมืองข้าราชการระดับต่ำระดับสูงจนถึงพระราชานี่ก็ได้หมดเป็นธรรมะที่แผ่ไปกว้างหมดบ้านเมืองเขารบกันอย่างในสมัยก่อนคนแควนนี้รบกับคนแควนนั้นแต่ธรรมะก็แผ่ไปได้ทั้งสองแควนไปได้หมดเพราะความกว้างขวางของคําสอนตรงนี้ก็เลยว่าจึงเป็นาศาสนาที่ใหญ่แต่เกามีการเปรียบเทียบเอาไว้ เหมือนกับน้ําทะเลนะไอ้ที่มันใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยจะเป็นบึงใหญ่ทะเลสาบใหญ่ไหนเนี่ยไม่มีที่ไหนจะใหญ่ไปกว่าทะเลแต่มันก็จะไหลลงทะเลหมดแต่แม่น้ํานไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็ต้องไหลลงทะเลหมดเพราะฉะนั้นทะเลเนี่ยเป็นแบบโคตรของบึงทั้งหลายของแหล่งน้ําทั้งหลายหรือว่ารอยเท้าอย่างเงี้ยนะรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างนึ่งจะเป็นโคดของพวกรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นแบบโคตรดนะคือแบบใหญ่มากนะรับหมดทุกอย่างไปที่รับหมดเนี่ยดีก็รับนะไม่ดีก็รับน้ําดีน้ําเสียน้ําเค็มน้ํำจืดน้ําเน่าน้ํนาใสไหลลงทะเลหมดทะเลเนี่ยรับหมดเพราะฉในศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่กว้างไปหมดนี่มันก็มีทั้งคนที่ ดีมากบ้างดีน้อยบ้างมาปฏิบัติกันทั้งหมดนะเรารับหมดนะบางคนเนี่ยเร่าร้อนมากต้องการหาที่พึ่งพระบุตรจารเปรียบเหมือนกับคนนี้แบบมหงมเหงื่อแตกเร่าร้อนมากเลยมาถึงสระโบคดานีแห่งหนึ่งมีน้าําใสน้ําเย็นมีท่าน้ําลงอย่างดีคนนี้เขาก็ลงไปแต่ตัวเหม็นไหมตัวสกปรกไหมทําน้ําให้ขุ่นขึ้นไหมทําแน่นอนเพราะอะไร ก็เขาเร่าร้อนมาขนาดนั้นนะ่ะเราร้อนมาจะมาลงน้ําจะมาดื่มน้ำํำนะ่ะมันก็ธรรมดาว่าอาจจะทําให้น้ํากระเพื่อมบ้างอาจจะทําให้บึงนั้นขุ่นขึ้นมาบ้างอาจจะส่งเสียงดังบ้างอันนี้ธรรมดาถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะมีสระโบกกรณีอีกใบหนึ่งที่มีน้ำใสยเย็นด้วยมีดอกบัวมีอะไรแล้วก็มีท่าน้ําลงอย่างดีแต่ว่ามนุษย์รักษาเอาไว้ อ่ะบรรุ น, นี่คือพวกยักษ์พวกยักษ์บ้างพวกผีบ้างรักษาเอาไว้เนะี่ยห่วงเอาไว้ไม่ให้ใครมาลงพอไม่มีคนมาลงเนี่ยแม่มันก็เป็นสระโบกกรณีที่น่าเสียดายนะเพราะว่ามันดีหมดเนี่ยแต่ไม่มีใครมาใช้งานมันก็ไม่ถูกหลักลักษณะคำสอนของพระบรุตรเจ้าเนี่ยท่านเปิดไว้แนละให้คนมาใช้เหมือนกับบอ่อน้าท่าน้าที่ราบเรียบมีน้าใสมีน้าเย็น คนมาลงใช้ได้อะไรได้แต่ตรงนี้จึงต้องมีคนช่วยกันดูแลแทําถ้าน้ํานี้ให้มันเรียบเติมอะไรที่มันดีเข้าไปอะไรที่มันไม่ดีสกปรกก็เอาออกมาแต่ตรงนี้จึงเป็นลักษณะงานของผู้ที่จะรับภาระการงานของศาสนาผู้ที่รับภาระเนี่ยภาระเนี่ยแปลว่าของหนักภาระนี่นะไปเปิดพจนานุกรมดูก็แปบลบว่าของหนักคือเป็นผู้ที่รับภาระในทางคําสอนตรงนี้ พวลุลสิทธิ์ลูกหาที่มารับภาระในหน้าที่ต่างๆในงานในการงานในวัดเนี่ยมาคอยปัดกวาดเช็ดถูปูเสือ่อเตรียมสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําอาหารหรือติดต่อผู้คนให้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่รับภาระการงานของศาสนาละเป็นเจ้าของแห่งธรรมะละเราเป็นเจ้าของสัก์เราเป็นเจ้าของธรรมะแต่คำว่าเป็นเจ้าของเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นเจ้าของโคไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่รักษาเลี้ยงโคธรรมดา แต่เราปฏิบัติทํามแล้วเราได้ลิ้มรสแห่งธรรมะเนี่ยเพราะมันดีดีเนี่ยเราจึงมาช่วยให้คนมีการมาปฏิบัติธรรมได้อย่างหลวงพ่อเองอย่างพระอาจารย์เองเราปฏิบัติธรรมมาจนถึงจุดนี้แม้ได้ลิ้มรสแห่งธรรมะแล้วแต่หลวงพ่อมีนโยบายในการที่จะเอา้ากันให้คนมาปฏิบัติธรรมได้แต่ก็เหมือนท่าน้ําที่เปิดให้คนเร่าร้อนบ้างคนบางคนเย็นบ้างมาลงมาใช้ เรามาช่วยกันดูแลตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่รับภาระละเป็นผู้ที่เสียสละละเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางละละักษณะงานตรงนี้ก็จึงมีคนทุกประเภทที่เขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างก็มีมาแล้วเรารับภาระการงานศาสนาตรงนี้ให้มีความอดทนอย่าให้เขามาว่าเราได้ว่าทําหน้าที่ไม่ดีแต่คือคนพาเนี่ยนะมันว่าเราได้ทุกอย่างแม้เราทําหน้าที่อย่างดีมันก็ว่าเราไม่ดี ได้อันะนี้ก็เรื่องของคนผ่านใช่ไหมแต่เรารักษาหน้าที่ของเราให้ดีนะทำหน้าที่ให้ดีมีความยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าให้มีจิตเป็นพยาบาทแตนะ่ถ้าเรามาเสียสละทําหน้าที่ตรงนี้แล้วต้อ ง, อ ด, ง, งอดทนมีใจกว้างขวางอดทนมีใจกว้างขวางนี่ก็ไม่ใช่ว่าให้เขาเอาระเอาเปรียบนะต้องรู้จักเอาตัวรอดต้อรู้จักที่จะทําหน้าที่ของเราให้ดีให้จิตใจเนี่ยมีความรักใคร่กันอย่าให้จิตใจมีความพยาบาท มีความปองร้ายมีความอาฆาตมีความไม่พอใจแต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละคนไม่ดีเนี่ยนะ <c oughs> เขามาวัดเขาเห็นอะไรดี <c oughs> ๆเขาก็ว่าไม่ดีไปหมดแต่ว่าคนดีเนี่ยนะเขามาวัดเนี่ยเขาเห็นอะไรไม่ดีเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เขาจะว่าอะไรหรือเขาจะไม่ว่าอะไรเพราะคนดีเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคนไม่ดีเขาก็ว่าทุกอย่างอยู่แล้วแต่จะดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เขาว่าแต่อยู่ที่เราเป็นจิตใจของเราให้มีความเมตตา กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกับผู้ที่อยู่ในวัดด้วยกันมาวัดเราไม่ไดเอากิเลสมาอดกันแต่แต่มาวัดให้ละกิเลสให้ละความเป็นตัวตนละความเป็นมานะไม่ใช่ว่าฉันก็มาสั่งสั่งสงแล้วฉันก็ไปฉันก็รู้จักธรรมด้วยให้มีความอดทนให้มีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะ ก, กันคำว่าไม่สามัคคีกันนะไม่สามัคคีทะเลาะ ก, กันก็คือให้ร้ายกันคนนี้เอา้นี้มาก็ไม่พอใจ คิดไม่พอใจว่าอีกทําไมเขาทําอันนี้ฉันก็ทําเหมือนกันเธอทํามาทําไมอ่านานๆจิตใจมันเริ่มเประอันนี้คือให้ร้ายกันแต่ยังไม่ทันพูดนะแต่คิดในใจเนี่ยมันก็ไม่ดีละเราจะรับภาระการงานศาสนาที่มันใหญ่เงี้ยไม่ได้คนที่มีจิตใจแบบนี้จะรับภาระไม่ได้แต่ให้มีความสามัคคีกันคําว่าสามัคคีกันเนี่ยหมายถึงว่าไม่ให้ร้ายกันมองกันด้วยสายตายคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่แต่คําว่า สามัคคีกันเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปมาหาสู่กันนะรู้จักกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งญาติพี่น้องไม่ได้ถึงขนาดนั้นคำว่าสามัคคีกันเนี่ยคือไม่ให้ร้ายกันมองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่อย่างพระสงฆ์ในวัดอย่างเงี้ยบางทีเป็นเดือนๆือน่ยไม่ได้คุยกันเห็นหน้ากันอยู่ตอนกินข้าวาก็ทํากิจตรงนั้นจะก็ทำกิจตรงนี้แต่บางทีไม่ได้คุยกันก็ไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นคนที่ไหนมาไงแต่ว่ามีความสามัคคีกั น, นสามัคคีกันนะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวตเขาชื่อจริงชื่ออะไรบางทียังไม่ทราบเลยมาจากที่ไหนบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีความสามาัคคีกันเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องการที่ไม่ให้ร้ายกันเรื่องของการมองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ประนอันสามประเด็นแล้วนะ 1. ประเด็นที่ว่ า, าศาสนานี้เป็นาศาสนาใหญ่ทั้งเรื่องคำสอนทั้งเรื่องคนที่จะมาเปรเียบเทียบกับน้าทะเล เปรียบเทียบกับสระโบกขรณีที่มีคนหลายๆประเภทคนร้อยก็มีคนเย็นก็มีมาลงส a b ใบนี้สองเราเป็นผู้ที่รับภาระแล้วแต่เป็นผู้ที่รับภาระเนี่ยจะต้องมีความอดทนคนที่ไม่อดทนไม่มีเมตตาจะทำหน้าที่นี้ไม่ได้เรามีตัวอย่างคือผู้นาคือพระพุทธเจ้าให้เห็นอยู่แล้วท่านรับหมดท่านรับหมดเทวทัตท่านก็รับพระดีพระไม่ดีท่านก็รับ รับแล้วท่านก็รับภาระในการสอนมีความอดทนมีความเมตตาอยู่ในนี้นี่คือในประการที่สองรับภาระแล้วให้มีความอดทนกฤษณาให้มีความสามะคีกันนี่กักบเดือเดืนที่สามที่พูดมานะอย่าเพิ่งฟังรอบเดียวแต่กลับไปฟังสองรอบสามรอบให้มีความสามะคีกันในการที่จะไม่ให้ร้ายกันไม่มองตาแบบข ว, ANG ขวางๆกันแต่มองตาด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ พุจานี้ก็อย่าให้มีการติชินนินทากันแต่ให้พูดกันตรงๆงถ้าทําอะไรไม่ดีไม่ถูกก็ให้รับฟังคําตักเตือนด้วยความครบรบหนักแน่นเป็นผู้ที่มีธรรมะอยู่ในใจเรารับภาระเป็นเหมือนเจ้าของศาสนาเหมือนกันเพื่เป็นเจ้าของศาสนานั้นต้องมีความอดทนเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นนี่คือในประเด็นที่สในข้อที่4ในหมู่บริษัทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งภิกษุภิกษุณีบาโุบาสิกา ผู้ที่จะรับภาระเป็นผู้นําของศาสนาได้เนี่ยศีลมันต้องมีมากถ้าเรามีศีล น, น้อ ย, อยเช่นศีลห้าหรือศีล8เนี่ยแล้วจะมารับภาระเนี่ยมันจะหนักมากสําหรับผู้ที่จะรับภาระในการศาสนาตรงนี้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นํานำะคือเรารับภาระช่วยกันในอย่างเช่นว่าถ้าใช่อาจจะมามาผัดกับข้าวมาเตรียมเครื่องชงเครื่องปรุงเนี่ยอาตมาก็จะทําไม่ไหวแต่อาตมาก็จะรับภาระในจุดอื่นๆด้านอื่นๆ แต่ว่าความเป็นผู้นําให้พระเนี่ยเป็นผู้นําเราหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคือสุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโคนี่หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยสาวกนี่คือผู้ฟังคําสอนนะสงนีนแปลว่าหมู่ไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุอย่างเดียวแต่หมายถึงหมู่ทั้งอุบาสกวาสิกาเลยหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีหมู่ของวัดบ่าดอนหนายโศกเนี่ยมีหลวงพ่อ ด็อกเตอร์สะอาดเนี่ยเป็นผู้นำในท่านเป็นผู้นาในเรื่องของคอร์สหลวงพ่อมอบดาบอาญาสิทธิมาให้พระมหาภัยบณ์เป็นผู้นำให้มาเป็นผู้นำในเรื่องของคอร์สเราไม่ต้องนำแต่เราตามนะเราตามทำหน้าที่ให้ดีคำว่าตามนี้คือหมายถึงก็เป็นผู้รับภาระเหมือนกันนะเป็นเจ้าของศาสนาเหมือนกันเป็นผู้ที่จะรับภาระการงานศาสนาที่มันใหญ่ตรงนี้แล้วมีพระภิกษุเนี่ยเป็นผู้นา เพราะว่าศีลมันสูงศีลมันมากเนี่ยมันสามารถรับภาระตรงนี้ได้นี่คือในประเด็นที่สี่ดังนั้นเราพูดกัน4ประเด็นนะวันนี้นาจับประเด็นให้ได้ฟังอีกสักรอบสองรอ บ, รอบเพื่อเกิดความเข้าใจว่าหนึ่งศาสนานี้เป็นศาสนาใหญ่มีทั้งคนดีคนไม่ดีมาสอเราเป็นผู้รับภาระการงานศาสนานี้เราให้มีความอดทนอย่าให้เขาว่าเราได้ว่าจิตเราไม่ดีตรงนั้นตรงนี้ แต่เราจิตของเราดีเขาจะว่าหรือไม่ว่าเนี่ยมันเรื่องของเขาแต่เรารักษาจิตของเราให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกในขณะดเดียวกันอะไรพอให้ได้ก็ให้อะไรพอยอมได้ก็ยอมแต่ก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปในบางทีก็ต้องมีกรอบขอบเขตของเรื่องของงานการปฏิบัติบ้างแต่ในข้อที่3ให้มีความสามัคคีกันให้มีความอดทนกันมีความสามัคคีมองกันด้วยสายตานคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ เรื่องภายในเราก็อย่าไปนินทาให้คนข้างนอกเขาฟังเรื่องไม่ดีของคนอื่นเรา่อยเอามาพูดต่อมีสิ่งใดพอเตือนกันได้พอบอกกันได้เราก็บอกกันเราฟังกันมาแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยความเคารพหนักแน่นสิ่งใดเป็นเรื่องไม่ควรพูดเราก็ไปอย่าไปพูดอย่าไปพูดว่าครูบาอาจารย์เป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานี้ที่นี่เขาเป็นอย่า ง, งานี้อย่างนั้นอย่าไปเที่ยวพูดเรื่องนี้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง เราก็ทําหน้าที่ของเราไปมองกันด้วยสายตายคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่คนที่เขาเหนื่อยมาร้อนมาแต่บางทีเขามาใช้บึงนี้อาจจะทําตรงนั้นให้สกปรกบ้างเขาลืมเก็บไปบ้างเราเห็นแล้วเราก็ช่วยกันเก็บนะให้มีความอดทนอย่าบ่นอย่าว่ากันเราทําตรงนี้เราก็ได้บุญเราก็เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงมีจิตใจงามที่ว่าป่าดอนหายโศกเนี่ยเป็นที่ที่เปิดให้มีการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราไม่เปิดเราจะปิดก็ได้ เราจะไม่ทําเราก็อยู่เฉยๆนิ่งๆงเงียบๆของเราไปเราก็ไม่ต้องรับภาระตรงนี้แต่ว่าด้วยการตัดสินใจของหลวงพ่อท่านเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามาช่วยกัน ร, รับภาระตรงนี้เป็นการรับภาระการงานของศาสนาแลนะช่วยที่จะประกาศธรรมะให้คนเขามาเห็นธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาแบบอาจจะไม่ดีอ่ะแล้วเข้ามาปฏิบัติแล้วเขาเห็นได้เห็นดีขึ้นมาเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งดีมากนะพวกเราได้บุญตลอดแต่ตอนนี้เราเป็นการสร้างบารมีตลอด เป็นการช่วยรับภาระการงานศาสนาทําให้ศาสนาเนี่เจริญขึ้นได้และในประเด็นที่สีนั้นให้พระภิกษุเป็นผู้นําในการดําเนินการงานศาสนาตรงนี้คือหมายความว่าถ้าเราทําตัวเด่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นภัยกับตัวเองเพราะว่าด้วยศีลที่น้อยมันจะทําให้มีภาระหนักอาจจะเป็นปัญหาในการดําเนินชีวิตด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเราไม่ทําตัวเด่นให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเด่นขึ้นมาเป็นผู้ที่เป็นผู้นํา ในการรับภาระตรงนี้ท่านจะทำได้ในคือสีประเด็นที่มอบให้ผู้ร่วมการงานทั้งหลายธรรมาต้องขอบใจทุกท่านทุกคนมากเลยในการที่มาช่วยกันในงานด้านต่างๆคอร์สของเราเนี่ยเป็นคอร์สที่เรียกว่าระดับโลกเลยก็ว่าได้แต่ทั้งในเรื่องคาสอนทั้งในเรื่องสถานที่บุคลากรต่างๆได้รับคำชมคำนิยมเป็นอย่างมากเราทำมาดีแล้วเราทามาดีแล้วเราทาดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีก เรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ประกาศคำสอนไว้เมื่อหลายพันปีก่อนหลับตาลงทีไรนึกถึงคำสอนของท่านนี่เราจะมีความสบายใจตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้วเหลือแต่คำสอนไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้รับไปปฏิบัติสืบต่อกันไปลูกหลานรับมามีหลวงพ่อเป็นผู้นำให้เราตามกระแสนี้ไป ต, ตามกระแสงธรรมะตามรอยทางแห่งธรรมะ ตามรอยทางที่พระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปละเป็นทางของมรรคแเราดาเนินตามทางนี้ไปบารมีเราก็แก่กล้ามากขึ้นอินทรีย์ต่างๆก็จะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมากขึ้นเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะรู้ทำบรรลุธรรมเบื้องสูงได้ต่อไปในการขั้งหนาอาตมาก็มีความยินดีขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนได้มีความสุขใจมีความสบายกายมีเรื่องร้อนใจใดๆ ก็ให้นึกถึงพระพุทพระธรรมพระสงค์มันก็จะมีความเย็นใจมีความสบายใจได้จะริญนน